เราก็ไม่เลยงมงไปฮะจริงที่เราทำจริงที่เราสัมผั ส, ส, ผสก็มีอยู่จริ ง, งมีหลักมีฐานเราได้สาธยายพระสูตรต้อง ม, มาจากโบปัตรรสูตรเล่าทั้งทางที่ผิดที่ถูก ทางสุดโตงทางตันทางถึงจุดหมายปลายทางขีดไว้แล้วเหมือ <c oughs> น, นกับแผนที่ที่เราจะต้องไม่ต้องจุ่งยากดําเนินและเดินไปเลยตามแผนที่นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอันกวางสอกยาวาหาวคืบ มีจิตมีวิญญาณนี่เรียว่ารูปทานามทานี่มีสัญญามีจิตใจนี่สิ่งที่เป็นแผนที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่คิดเราเดินผิดเดินถูกเราก็ไดยเดินอยู่แล้วโดยเฉพาะภาพปฏิบัติ ก่อนที่จะมีแผนที่แบบนี้จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เบื้องต้ น, ตนในวันเพตนันหกว่าศิริษฐาได้ยกมือแขนเข้ารู้สึกกแขนออกรู้สึกคู้แขนเข้ารู้สึกเหยียบแขนออกรู้สึกจะเห็นทางเส้นนี้ หุดตรงไปยังไง้างตันไปยังไงถึงจุดหมายสายทางไปยังไง <c oughs> แล้วก็กนจะม น, น, นีชํานาญหลงตรงไหนผิดตรงไหนเห็นเดี๋ยวในชีวิตของเรานี้เองเอลวลาเรามาปฏิบัติมาเป็นภาคปฏิบัติเราก็ได้สัมผัส ถ้าว่าดูนึงคือทางดูคืออะไรคือมีสติเป็นหน้าโลกถ้าเห็นสำเร็จในการดูถ้าเห็นแล้วก็ไม่เป็นจะ่ไปถูกถ้าเห็นเราเป็นไปไม่ถูก มันมีให้เห็นนั้นจะแยกตรงที่ปิดที่ถูกทำให้เราหลงอยู่ตรงนี้เวลาเราปฏิบตัติมีสติเป็นภาวะที่ดูเวลาบนหลงไม่มีสติก็ไม่ใช่การเดินแล้วหยุดแล้วไปไม่ถึงไหน มันหลงเห็นมันหลงภาว่าที่หลงทำไมเรารู้ทำให้เรารู้รู้สึกตัวไม่ใช่หลงเป็นหลงสุขเป็นทุกข์สุขเป็นสูกทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นผิดไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีอยู่ผิดก็มีถูกก็มี มันก็เห็นกันอยู่แล้วก็ประสบพบเห็นเอาเองในภาคปฏิบัติเรียกว่าทางเคยหลงเคยงาทางที่เป็นกามมาสุขานิขขนนนการที่โยกโกเคยโกรธทุกข์เป็นทุกข์น่เรือกามมาสุขานินการที่โยก ไม่ควรเสพไม่ควรคล่องไม่ใช่ของสมณะไม่ใช่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันเปิดวันเปื่อนเปื่อนกับฟองสศกเปื่อนกับความทุกข์เพื่อนกับความโกรธความไม่โกรธความพอใจความไม่พอใจมานั่นเรียกว่ามันเป็นของ ตอมา้ ำ, ำเห็นของเปื่อนไม่ใช่ของผู้บวชพืชพงมาจันไม่บริสุทธิ์เราสัสามผัสดูสดเห็นเห็นแล้วเป็นเปนเพื่อนแล้ ว, ลวเห็นแล้วไม่เป็นสะอาดแล้วโบกเคิ้นแล้วทำให้ไม่มีแล้ว ตรงหลงบอกขึ้นไปมีความรู้ไปใส่สักสาพานอกทำให้ไม่มีเชื่อทั้นโกดสักสะพานอกคือความรู้ความรู้สึกตัวคือสักสะพานบอกขึลนบอกกับปาริยัจโกนิสตโตนิชีโว ไม่มีให้ตั้งไม่มีที่วางให้ท่านเลยว่าบอกคืนงั้นจะสุขงั้นจะทุกข์บอกคืนให้รู้นี่แต่ภาวะที่รู้ที่เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่นะ ออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี้ให้มันชัดเจนทํำให้มันเฉียมแช้งยังไม่เฉียมแจ้งเพียงใดทําให้เกิดเฉียมแจ้งขึ้นมานี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วแต่เนี้ยก็บอกอย่างนี้ต่อมาก็มา พูดถึงเรื่องหลักที่จะต้องดำเนินไปมันมีอยู่เรียวมัชฌิมนาปฏิปทามันมีอยู่มีความผิดมันมีความไม่ผิดมีความทุกข์มันมีควา ม, ม, ม, ม, ม, มไม่ทุกข์มีอยู่ได้เจ้าพรปฏิบัติ ตัวทีัเิก็คืออะไรล่ะคือเริ่มต้นจากคองเห็นถูกที่ว่าสมมทิทินันเป็นปัญญาเริ่มต้นไม่เหมือนกับศีลกับสมาธิกับปัญญาเอาศีล ข, ขึ้นก่อนแต่ ทางปฏิบัติมาปัญญามาก่อนสมาธิสมาสังกปูความดำริชอบความปั้งใจมั่นชอบเห็นชอบปัญญามาก่อนเหมือนเรามาเจริญสติเนี่ยมันจะมีปัญญามาก่อนมมปัญญาแล้วก็ญญามาศีน จึงมาสมาธิสัมมาอาจาสมาอาชีวาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีโสัมาวาามวายโมสัมมากัมมันโตเป็นศีล น, นั้นเป็นไปเองถ้ามีสติก็เลิกความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธ เป็นส ม, มาส ม, มาธิสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิฏไปในตัวเสร็จนี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ดันวิอยู่ว่าเกิดขึ้นมีหลักเวฐานเป็นไปตามลำดับไม่ตัดรัดขาดความโดยเฉพาะการปฏิบัติทำนี่ไม่ตัดรัดเป็นไปตามลำดับเป็นสูตรไป เห็นอันเนืองก็เห็นอันหนึ่งเห็นความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์เห็นความโกรธเห็นความไม่โกรธเห็นอะไรไม่เป็นคู่นั้นมีไม่ใช่ไปจนถ้าเรามีสมาธิเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นกาจะเห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยเป็นไปกับเรื่องต่างๆ มันก็ใช่ผิดใช่ถูกถู ก, ถกผิดไม่ต้องถามใครสัมผัสเอาเจ้าภาพปฏิบัติแล้วก็เป็นไปมาก็บอกมันก็มีงานมีการมีงานมีงานทำงานของเราที่ทำเนี่ยมันเป็นงานมนุษย์เป็นงานของพระเรียเจ้า ไม่ใช่งานของปุถุชนยิ่งเพวกอเรามาเป็นรูปแบบของนกปวดอยู่ในทาวิไน ย, ยิ่งเงาะที่สุดเลือกได้แบบนี้เขาเรามาเลือกได้แบบนี้ตรงตัวพอดีในทาวิไนเป็น กัดใจอาศัยพอเรื่องชีพได้ไม่เป็นไปไม่มากมากเป็นไปเมื่อสะสมเป็นไปไม่สะสมกิเล ส, สเป็นไปเพื่อรับใจไฟสงมันเป็นความพรม้อมมันเป็นความสะดวกถ้าก็มีสองผืน อาศัยเบญธาบาดเรื่องคีบย่ารักษาโลก็น่ามูดเนา่าดองสมงองขามพ่องเปิท้องอืดจกเสียดทหารไม่ย้อยน้าบวดน่ายองดองสมงองขามพ่องเป็นยาอาวุธธนะถ้ามีอกช้ำดำเขียวมีมีของบาด หน้ามูดเน่าลาดลงไปเป็นถิงเจอเป็นวัคซีนก้าป้องกันแผลทยักได้หน้ามูดเน่าหน้าปัสสวะเนี่ยแล้วก็เพียงพอบ <c oughs> างทีทุก <Okay. S 1> วันนี้ยังมีคนใช้เ <Okay. S 1> ยอะแยะ <Okay. S 1> มาล่าหน้าไม่แก่ <Okay. S 1> ไม่มีรอยเหี่ยวยน่น มารูปใบหน้า yeah. ดีกว่าโลชั่นอลองดูนะอย่าฟริเจ้าฮะแล้วก็พอใจแบบนี้นะคิดอยู่แบบนี้ ลงตัวพอดีพอดีไม่บีดเปลีนน่ยนตนไม่บีเป็นพื้นจนทำประโยชน์ได้เยอะเหมือนนอกไปไหนก็มีปีกบินไปได้ในบาทมีจีวร น, นอนในปาน่าในดงเข้ากับกับสิ่งแวดล้อมได้กับสัตว์สาราสิ่ง เสือก็ไม่ทำลายช่างก็ไม่ทำลายสัตว์ปิ๊ใไม่ทำลายเพราะมันมีธรรมในใจมันไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเพรยกับทุกอย่างทํตาต้าจะเป็นไข้ก็อยู่ในดงในป่าสวัดล่อนสวัดหนาวขันเนื้อขันตัวทำลงไปทาใจลงไป เราเป็นเกอกับธรรมชาติไม่ตื่นเต้นวันเงียบมันเย็นสงัดหนาวหนาวร้อนรอนขึ้นมาก็ส่งให้ใจมันคุ้นเคยขึ้นมาเป็นเกอกับปีนั่งพิงต้นไม้เป็นเพื่อนกันกับบรรยากาศมันก็ไม่เป็นไรเคยเคยทําแบบไม่ตันสมัยเป็นเด็กเป็นเด็กนักเรียน มีวัดมีพระโรงเรียนอยู่ในวัดพระท่านเลี้ยงลีงไว้นักเรียนก็นพากันไปดูบางคนบางคนก็เห็นลีงก็กลัวแต่บางคนไม่กลัวเราไม่กลัวไม่กลัวลีงมันทำแบบไหนไปลูก ไม่มีพวงพัวสักหน่อยเดินก็ไปหามันเลยมันก็ไม่ได้วองเรามันมองคนอื่นมันมองหาหน้าคนที่ขวางมันก็วิ่งใส่คนนั้นวิ่งใส่คนนี้ทําไมมันไม่วิ่งมากัดเรามันก็ดูออกบางทีมันรู้สอดที่มันหาจินมันมีมีมีรหัสหาจุดอ่อนของ คนที่ขี้ขาดที่กลัวโครคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันขี้ขาดที่กลัวมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแตเด็ดดเห็นอะไรก็แพ้ไปเลยเห็นงูก็แพ้งูเห็นเสือก็แพ้เสือมันกลัวเห็นผีก็แพ้ผีตายเพราะผีไปก็ไม่เลยก็กลัวอ่อนไปไปอาคนไหวไปเลยเราหงัดจิตใจแบบนี้มาไม่เคยกลัวอะไร คขาว่ากลัวเนี่ยไม่ค่อยจะมีที่นี่คือาว่าผีหลกไม่เคยคิดกลัวที่เขาว่ามีอะไรก็ไม่เคยคิดกลัวจริงๆแต่เล่าให้ฟังก็กลัวแล้วบางคนนะเหมือนหลบกพ่เทียนอาจารย์สอบอารมณ์โยมชิงคาน มีอาจารย์อยู่ถ้าบ่อนี่ยมอยู่สีช้างมันสั่งให้มาหาจะมาไหมอาจารย์สั่งให้มาหาก็มาแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์สั่งก็บางจะมาได้เลยในระหว่างทางมีป่าอยู่กลางทางเขา โอยิงเสือมันใสอยู่แล้วมันกัดคนเดินผ่านมาไปได้ใครเดินผ่านมาเสือต้นกัดเลยเอาจารย์สั่งให้มานะจะมาได้มาไม่กลัวเสือเลยไม่กลั ว, ม, ลวมาจะไงเสือจะกัดกัดใครมันกัดทียังไม่เห็นเสือแต่ไม่กลัวมาไว้ได้เสือตั้กัดเอายังไม่เห็นเสือน่ะ บางทีมันเสือมากัดผมหว่าจะฆ่าเสือตายก็กกได้โอ้มจะฆ่าเสือก็ได้ไม่ใช่เสือบางกัดเราก็าได้กลัวทาไมต้องเห็นเสือเช่ก่อนนี่คือคือจิตใจนะถ้าเราอ่อนเออมันก็มีอะไรของมแพ้แต่ง่ายเก็บนิดหน่อยก็อ่อนแอไปเลยลองลอง หลองมันมันของเรสนุกเก็บลองเราเชสนุกบ่วยลองเราเชสนุกหลงลองหนูเชือแต่ไม่ชีว่าสนุกหลงไหมสะดวกทุ ก, กไหมไมกลัวเลยความทุกเป็นทุกเลยความหลงเป็นหลงลไม่น่ากลัวเลยนี่คือสติลนะงัดหัดอย่เนี้ผู้บรรลุธรรมต้องมีแบบเนี้ไม่ใช่จะวันไหวตลอดเวลา ผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกสุขเป็นสุขทุกข์กเป็นทุกข์ไม่ใช่เหมาะที่บรรลุทธำถ้าโกรธก็เป็นโกรธแล้วก็เป็นลกเศร้าหมองก็เป็นเศร้าหมองไปม่ใช่เหมาะที่จะบรรลุทธ ำ, ต, ต, กกททำต้องฝึกอินทรีย์ให้แก่ก้าวสติอินทรีย์เนี่ยสร้างสารรค์ได้แล้วก็ฟังพระสูตรพระสูตรนี่เกิดพระอรหันขึ้นมา ก <with> ็เ kind ช of ่าอุทานนอัญญาสีบัตตโพโคนทนโยอัญญาเป็นผู้มีอายุรู้แล้วหนารู้แล้วเนาอุทานหลว่าอุทานนาอุทานนาติน่าจะต่อไปพมมอนางเทวานางสัตตังโมเสมังสัตสัมมนุสัตเตภิชังจะตุ้งห้าชิกาเทวานางสัตถังสิตวา ตุจิตาเทวานังสัตวตุบันนุสเวชวงเทวานังดาวดึงส่ายมานิมัสชาวดีปริเนวานสวดีสวรรคหกชักชน้นเปลืาานาน่อนรปเจอปรมโลกสิบหกชั้นทมดทำเท释สารกันเนี่ยวนไว้ไปยเกินีไหวเลยพราะเกิดขึ้นแล้วจักทั้งเกิดขึ้นแล้วดำเนินไปแล้ว มันไปแล้วมันกระโดดไปแล้วงานขอเรามากระโดดจนะ้ะเหมือนกับเราไปจองตั๋วขึ้น่รถนำเบอร์เขาฉีกตั๋วออกแล้วให้เราแล้วเราได้ปลายตัว๋วต้นตั๋วมาอยู่ที่กับเขาต้นขั้วเมื่อเขาฉีกแล้วมันก็กระโดดไปแล้วมนาะ ถ้าจะคืนก็ต้องก็ต้องยุ่งยาก <c oughs> ต้องให้เวลาหลายชั่วโมงตาไมไปกำหนดเวลาให้เขาถ้าเขากปกำหนดเวลาไว้ไม่ตามไม่ตามตรงดังเวลาเขาก็ปลับไปเลยงานมันกระโดดครอบลูกน่นกระโดดนะ <c oughs> มันชักสะพานไปแล้วถ้าลูกเป็น ถ้าหลงเป็นหลงไม่กระโดดเลยยังไม่ฉีกยังติดกันอยู่มันไม่ยังไม่ ย, ไมยังมีสะพานอยู่ยังเชื่อมกันได้ถ้าหลงเป็นรูปมันชักสะพานออกไม่มีให้ตั้งไม่มีที่รับทำให้หมดปไปหมดชิดตัวหลงไม่หมดไม่มีชิด ท, ทีจะมาหลงมาทีไรเป็นรูปเท่านั้นหมดชิดแล้วเข้าไม่ได้มันกระโดดไปแล้ว ไม่ใช่รูปคำปฏิบัติมันเด็ดขาดสักชิดงานาทีเราทำมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่งานข้างค้างานยุ่งเหยิงสับสนเจริยญาบัตถคุศลนยัยนตังไม่มียุ่งเหยิงสับสนเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัย ยังกินจีสมุติยะธรรมังสัพพันธังนโรธรรมังอัญญาสิทุกสิ่งเกิดแต่เหตุปัจจอยา่างนี้อยา่างนี้อยา่างนี้เหตุเงต้องอยก็ดับไปมันกระโดดแบบแม่ปฏิบัติธรรม <c oughs> มันสำเร็จแบบแม่มันไม่ใช่งานข้างให้มันชำนาญ เหมือนเราทำงานที่มันชำนาญอะไรต่างๆมันก็สะดวกเป็นศิลปะไปในความเกิดเป็นศิลปะไม่เกิดในความแจ่ไม่ศิลปะไม่แจ่ในความเก็บมีศิลปะไม่เก็บในความตายมีศิลปะไม่ตายกลายเป็นศิลปเป็นศาสตร์ในภาคปฏิบัติอย่างไม่ใช่แบบอนุบาล ชำนานไปปริญญานั้นจะอะไรที่เราสวดก็สูตรเนี่ยปริวัติสามอาการจุดสองมันเป็นศาสตร์เป็นศีลไปเลยปริวัติสามทุกมีอยู่สามสมุทัยก็มีอยู่สามมักก็มีอยู่สามนิโรธมีอยู่สาม ปฏิวัติสามบางอย่างตู้เห็นทุ ก, ทกเห็นแล้วอันหนึ่งแล้วเห็นทุกออกจากทุ ก, ทกพ้นทุ ก, ทกนั่นมันเป็นศาสตร์ไปอย่านีช้ำนานตรงนี้ไม่ใช่ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธไม่ใช่ให้ยอมไม่ดองให้เป็นมีศาสตร์ ยอมง้อรอไอ้ทุกเป็นทุกแล้วก็ติดทป็นยาเหนียวนั้นที่หลาคาตันหานั้นที่หลาคาเนมันเหนียวข้องเกี่ยวกวามบันันหาพกไปจะในกวามเพ่งเลงย่มคิดมีสเสน่หมันก็มีรสชาติในความคิดในความข้องเกี่ยวปุง้งแตง ทว่าตนาอยากาามีอยากเป็นวิบวับต่าปฏิเสธไม่อยากมีอยากเป็นแต่ว่าต้องการแบบคมขขินชำเลาไม่รับผิดชอบน้ายอาดไปเลยน้องก็เป็นอย่างนั้นนำที่หลคาคาจะลีตไปเลย ราฆาจลรตโทศาจลรตโมหะจลรตมันซักสะผ่านได้โรยเพพาะปฏิบัติไม่ยุ่งไม่ยากนี้ก็มาถานไปที่ตั้งหลักปฏิบัติอยู่ที่นี่พระเจ้าก็ไปสแสดงเป็ น, เ ป, นเป็นลดับไลยกลายเป็นสูต ร, ตรเรียกว่าทำมาจักกบวัตตลสูตรเป็นวิชาการ เป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกศาสนานี่มีหลักในฐานแบบนี้มีจริงๆแบบนี้ไม่ใช่นิยายเรื่องอะไรเป็นเรื่องของชีวิตของทุกคนไม่ใช่ชาติปฏิเนกาศาสนาไหนไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคนที่มีรูปมีนามเน่ยไม่เกี่ยวกับปฏิเนกาเพศวัยอะไรทั้งสิ้น นี่เป็นสากลแบบเนี้ยหลักไปอ่ะภาคปฏิบัติก็เป็นสากลแบบเนี้เวลาเรามีาอาม่อกายก็กายเหมือนกันสา ม, าาามัญลักษณะเหมือนกันหมดรูปกายเนี้ยสามัญลักษณะเสมอมือกาานาาันใครก็ตามจะเป็นชาติใดประเทศใดที่ไห น, นก็เหมือนกันเหมือนกันหมดถ้ามี สติก็อันเดียวกันอีกแต่ใต้มีความหลงไม่เหมือนกันความหลงพาไปไปหลายอย่างความรู้จบสักสะพานออกแค่นี้ผู้ใดรู้เพื่อ น, นึงก็เป็นของกุฎันไปเลยสักสพานไมมีให้ไม่มีที่ตั้งชาติเป็นชาติสุดท้ายไปที่เกิดสุดท้าย เราได้ตัดรูปพร้อมแล้วเป็นไปเพื่อสมนัาพามเทวดามารลรมนุษย์ทั้งหลายพร้อมนักงที่ ท, ที่เราสาธยายไปแบบวเ่าทั้งเทวดาหกสวรรค์หกชั้นตั้งแต่จะตุมหาสิกาญามาอา สิทูมหิกาตุจิตาดาวันิดาวนัาวนสาญามาเนมสัสวาลีปินนมสัติหกชั้นตัวมโรคสิบหกชั้นมันอยู่ที่ไหนราอยู่ที่ชีวิตของเราเนี่ยอะไรที่เป็นเทวดาอะไรที่เป็นพระอินพระผมเป็นพวกพวปฏิบัติทรแมไะ เป็นเทพตาได้ไหมเป็นพระอินทร์พระพรหมได้ไหมเป็นพระได้ไหมมีสิทธิโรยไปเชิญไม่ใช่พระพรหมสีดาเป็นรูปสีดาถ้าสีหน้าไหนจะลำบากนะจะนอนท่าหนดีอ๋นอนทนตาไหนก็นทับต่จมูมกของมึง อาจจะนอนนั่งก็นะไม่มีอะไรนอนละแล้วลนอนตแนะแคงเน่ยยังยังทับหมูก็นอนนีต่ตะแคงหน่อยๆสิหัสยาดอันนี้ได้ถ้าไปนอนตะแคงมนันกว่าจะอยู่ในหน้าอนึางอีกแล้วทำอะไรจาไม่เป็นเทวดา ทำอริยธรรมมัเป็นพระอินทร์พระพรหมไม่มีไม่ใช่ชาติเชื่อเส้นเลือดสายโลหิตมันเป็นธรรมที่ทําให้เกิดเป็นพระเทวดาขึ้นมาเป็นธรรมเทวธรรมฮิลิโอตปะสัมปนังสุกะธรรมาหิตาสันโตเทวัเทวธรรมโตติมุติเลพิจตทั้งหลายเราบอกวว่าฮิลิโอตปะเป็นเทวธรรมใดโลก เยวทำในโลกทำเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ที่ว่าผมมีอะไรสี่ด้าคืออะไรอะไระที่เป็นผมรู้จากไหมเมตตาที่คนก็นาที่คนมุทิาที่คนอุเบกขาที่คุณ ธรรมที่เป็นธรรมคุณธรรมท่ททองพระพุทธเจ้านอมมาสเราไม่ตาที่คุณกรณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธรรมแนะ่ผู้ได้เห็นธรรมผูนั้นเห็นวพระพุทธเจ้าผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นัน้นทเทว่าเห็นพระธรรมผู้ได้เห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นสิ่งที่เนื่องด้วยกันเย่ธรรม ยังกี่จิตสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมทุกสิ่งทุกเก่งเกิดเ่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุมีเท่านี้มันหลงมันโกรธมันทุกข์มันใช่ไปรูปคำสักสะพานนเทอเราก็เห็นกันอยู่เวลารเราปฏิบัติสัมผัสมันหลง ก็เกิดขึ้นอยู่ก็โลทุกชีวิตก็ว่าได้แล้วก็รู้ซะทําให้มันเสร็จให้มันเป็นอันอื่นไปจากล้ามาเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติแล้วเรียกว่าภาวนาเปลี่ยนลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาขยันทําดีมากๆากเรีวยว่าภาวนาขยันรู้รู้ ก, ก็ไม่หลงหรอ ต้นเหตุมันอยู่ที่นี่นี่งานของพวกเรามีงานทำา่าชั้นม่มีงานนะงานแบบนี้เป็นงานชั้นสูงเป็นงานที่จะให้ปลุกเสกให้เป็นพระขึ้นมาพระเจ้าแสดงธรรมจักรปวัาสูตรเหมือนกับปลุกเสกให้เกิดพระมีผู้ฟังทำในใจ เกิดเป็นพระอหรหันต์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เอาพระสูตรบทนี้ไปปลุกเสกพระตลวงตาเขายังวนไปปลุกเสกพระก็สวดพระสูตรนี่กับเขาอเอ๋บยบําเณรสุดตั้งเอ๋ยกังสุปยังปะกวาปนาจีพิพันเจวีสวดไปนอกจากสวดนี้ก็สวดไปหลายสูตร ก็ามาคือสอนคนให้คนเนี่ยมาใช่เศกอิดเศเขียนเศกดินอันนั้นก็อาจจะดีถ้าเศกแบบนี้แ <laughs> ล้วเศกคนในเป็นพระเนี่ยจะไม่ได้เลยจะเป็นไม่ได้หรือพระใจดีเป็นพระเฉลี่นนยก็ได้ใจร้ายก็เป็นผีเนี่ยจะทํำมันได้เลยเยใจดีก็เป็นพระเนี่ยใจร้ายก็ตกเป็นลกเนี่ย ใจดีก็ได้สวรรค์ น, นี่ยใจเย็นก็ได้นิพพานชนะมันก็มีอยู่ในชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เอาชาติชาติมรณนนะเพศนิกายที่ไหนอ่ะไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่พอตัวที่สุดทอมที่สุดในภาคปฏิบัติเนี่ยน่าจะกระตือเร่ร่อนนะเต้นขึ้นมาก็ลําดับ นอนก็ลมดับทำทาเป็นนาฬิกาวินาทีมีชิบิอยู่วินาทีเดียวไม่ใช่วันที่หนึ่งที่สองขึ้นแล้วแต่ค่ำแล้วก็ขึ้นเก้าค่ำล้วันนี้ไม่ใช่เป็นวินาทีคือเวลาที่มีข้าวรูปไป จนชำนาญมีเจอความรู้จนเกิดขึ้นไม่แต่ก็รู้ตั้งอยู่ไม่แต่ก็รู้ทันที่มันเป็นตนเป็นที่พึ่งได้อาัตา อ, าตาอาัตนนโถตนนั่นเลยเป็นที่พึ่งของตนคือมีความดีมีสติก็พึ่งได้มีศีลก็พึ่งได้ศีลช่วย สมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยแล้วก็จะรักษาสร้างขึ้นมามันเราสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างแล้วก็อาศัยได้มีธรรมะเหมือนมีล่มในมือมีธรรมะก็เหมือนนอนอยู่ในมุ้งไปกลัวอะไรโยมมันบินอยู่ข้างนอกมันไม่กัดเราไม่ได้ถอนตกมันก็ถูกลเไม่ได้ไมีล่มก็ ในธรรมะมันไม่ร่มในยมือฝนตกไม่เป็นไรโยมก็อยู่ข้างนอกไม่เป็นไรสบายไม่กังวลอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นไรหนาวไม่เป็นไรหิวก็ไม่เป็นไรไม่ให้ทุกข์เป็นทุกข์ไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไรนี่เหนือทุกอย่างคือชีวิตแท้ๆเนี่ยทำให้เป็นไม่ใช่รู้เรามันหลงไม่เป็นไรรู้ก็ได้เรวมันทุกไม่เป็นไรเรามันหิวไม่เป็นไรอย่าไปหิวเป็นหิวเป็นทุกอิ่มเป็นโุกมันเป็นอะไรกับอะไรอยู่ไม่ใช่อัตหิอัตโนราโท เง้อแ น, น่นก่อนแขนวันลอยสุขก็พูขึ้นทุกข์ก็แฝงตรงมันใช้ชีวิตแบบนั้นชีวิตแ บ, บนั้นมันอยู่ตรงกลางไม่เป็นอะไรระหว่างกลางระหว่างสุขระหว่างทุกข์มันคืออลไรระหว่างขี้กายเก่าขี้กายกับระหว่างที่ไม่ต้องเก่าขี้กียเขาจะเรียกว่าอะไร คนเป็นที้กากมันมีความสุขเพราะเกลูขี้เกายแต่คนรักษาขี้กายหายไม่ต้องเกลามันอยู่ตรงเนี้ไม่ต้องสุขมันต้องทุกข์มันจึงจะเป็นมรรคเป็นผลเราก็ซศอกซอก่ซกซก่ซกซหาความสุขความทุกข์ตามทันวิ่งหนีความทุกข์หาความสุข ก็อยู่อย่างเนี้วิ่งไปไหนเปลี่ยนที่อยู่ไม่ใช่หมาขี้เลื่อนมันคันมันนอนที่นี่มันคันแล้วก็นี่ว่าบางครั้งลูกอย า, กานอนที่ิศมันก็คันเด็กเพราะมันคันอยู่กับมันจ้รักษาให้หายซะร่วมหลงก็อยู่กับเราเนี่ยก็เปลี่ยนไม่หลงให้ลูกซะ เหมือนโกรก็อยู่ที่นีมันทุกก็อยู่ที่นี่ไปเปลี่ยนที่ไหนไปแค่ที่ได้ไปโทษอะไรการเวลาอะไรเลือกใดยามใดนักขัตตังปฏิมาเนนทั้งอโถพระชังอปัจจการคนงูมือหมอถือลูกถือยามอยู่สุอสถานที่อยู่ทำดีได้ทุกอย่างให้ถือทํามแล้วจะเปลี่ยนลเป็นดีได้ทุกโอกาสมีสิทธิ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหลงไม่หลงเนี่ยมันโกรธไม่โกรธเนี่ยที่ลึกแท้ๆเลยการเวลาย่อมผ่านไปในเมื่อคนโง่เมือม่อมัวต่ถือลอกถือยามอยู่เวลาย่อมเกิดขึ้นแจ่คนฉลาดช่วยโอกาสรู้ได้ทุกโอกาสตื่นหลาบก็รู้ให้มันเป็น ศาส์เป็นศิลไปเลยชั่งนี้ชัน่ชนานในชีวิตของเราคือชํานานแต่เขาไม่เป็นอะไรกับอะไรจะอ่อนเอสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ก็เลยผิดเลยถูกเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้มัน่าจจะไปอย่างนั้นมัน่าจะไปอย่างนี้อ่อนแดเสือกิตายนะคนแบบนี้น <laughs> ไว้เจอเสือจะไง คนหนึ่งกลัวเสือวิ่งหนีคนที่สองไม่กลัวเสือก็วิ่งเหมือนกันนะ <laughs> แต่คนสองคนเนี่ยใครจะวิ่งดีกว่ากันนะคนหนึ่งวิ่งด้วยภะคุ้มกลัวอาจจะลม้มลุกคลานแมนบอมาดูทีตท่ตัวฐาคนหนึ่งวิ่งด้วยสติปัญญาอาจจะคล่องแคล่วกลัวกัน ระหว่าอะไรเที่มันเก่ดขึ้นเห็นทุกเปลี่ยนทุกบางคนก็ยากหน้าบดท่าเบี้ยวเห็นทุกมันจะยากอะไรเลยสบายเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกไหนเห็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไหนมันสะดวกสบายแต่บางคนหัวพาดหัวเพียงเลยเอาจิ้งเอาจ้างจนหน้าดำคำเยียดง่วงเหงาหอนไปเลยไปสู้กับความคิดเฉยๆก็ยากแล้ว เรียนมันจะง่ายๆเนี่ยจะดวออกที่สุดเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงตัวที่ต่าคนชั่วทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วด้ยากมันก็ต่างกันเพราะมันไม่เคย แล้วจึงหัดเอาไว้ไม่เป็นไรมีสติก่อนเถอะอะไรก็ทมให้มีความรู้ออกหน้าออกตาเป็นดวงตาน่ารกจูดรอยชอบโลกจะไม่ว่างจากความหันเพราะเหตุอย่างนี้สมควรเจอเวลากับพระพร้อมกัน